วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจมกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรู้และสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้าพวกเราต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องการที่จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเรียนรู้วิธีของการดับทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไป อยากเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังความสุขความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญทางด้านความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเพราะลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นเหมือนกับกับดับของความทุกข์ถ้าใครเข้าหาลาบยศสารเสริญสุขแล้ว จะต้องพบกับความทุกข์และจะติดอยู่กับกองทุกข์ไปเป็นเวลาอันยาวนานเลยดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจก่อนว่าการการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้าหาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจต้องหาความหลุดพ้นจากการปฏิบัติ ตามคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการสร้างความทุกข์นั่นเองเป็นความทุกข์ mm hmm. เกิดก็ต้องทุกข์พอเกิดมาก็ต้องทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้ เพื่อเลี้ยงดูชีวิตให้อยู่ต่อไปให้ได้ก็ต้องทุกข์กับการทำมาหากินแล้วนอกจากต้องทุกข์กับการทำมาหากินแล้วก็ต้องมาทุก์กับความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย และความตายของร่างกายนี่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาเกิดดังนั้นผู้ที่ไม่ต้องการมีความทุกข์ก็จำเป็นที่จะต้องยุติการเกิดให้ได้เพราะการเกิดนี้เมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีความทุกขต์ต่างๆตามมาดังที่ได้พูดไว้ แล้วก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่รู้จากวิธีหยุดการเกิดผู้ที่รู้วิธีและผู้ที่หยุดการเกิดได้แล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ท่านพามาเกิดอยู่เรื่อยๆมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาแกมาเจ็บมาตายใหม่อยู่อย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานพอไม่รู้สาเหตุของการมาเกิด ว่าเป็นอะไรแต่หลังจากที่ได้ค้นคว้าศึกษาปฏิบัติในที่สุดก็ได้ค้นพบว่าเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันนั้นก็คือความอยากต่างๆของใจของพวกเรานันนเองความอยากที่พาให้พวกเรามาเกิดนี้ก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆ ข้อที่หนึ่งเรียกว่ากามัตัณหาความอยากเศรษรูปเสียงกิดรสโผฏฐะชนิดต่างๆเช่นอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายที่ทำให้เกิดความสุขความสบายใจความอยากนี้จึงทำให้เรา ต้องกลับมาหาสิ่งที่เราอยากอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าสิ่งที่เราอยากนั้นต่อให้เราได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามจะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเราให้ความสุขความอิ่มชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วความหิวความอยากก็จะกลับ ขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องกลับมาเสกกันอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแปลว่ากามาตัญหาความอยากในกามกามนี้ก็แปลว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆที่เราอยากเสกกัน าการที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนี่ได้เราก็ต้องมีร่างกายนั่นเองเนี่ยเป็นที่มาว่าทาไมเราจึงต้องมามีร่างกายกันขอให้เราทำความเข้าใจก่อนว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่สามารถอยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย แต่เนื่องจากความอยากของเรานี่เองความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆจึงทำให้พวกเรานี้ต้องมามีร่างกายกันเพราะการจะดูรูปฟังเสียงริมรส ด, ดมกลิ่นนั้สัมผัสสัมผัสต่างๆพดนั้นได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือก็คือต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายและผู้ที่มีตาหูจมูกนิ้นกายนี้ก็คือร่างกายของพวกเรานี่แต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเราร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่เรา <c oughs> อาศัย <c oughs> พาให้เราไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ชนิดต่างๆนั่นเอง <c oughs> นี่แหละคือเหตุที่พาให้พวกเราต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆอีกสองสาเหตุอีกสองความอยากก็คือภาวะตัณหา <c oughs> ความอยากมีอยากเป็นอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากจะเป็นนั่นอยากเป็นนี่ เกิดมาแล้วเป็นคนธรรมดาก็ไม่พออยากจะร่ำรวยอยากได้ลาบยศสรรเสิญอันนี้ก็เป็นเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันแล้วความอยากข้อที่สามก็คือวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่เสื่อมจากลาบยศสารเสิญสุขที่เราได้นั่นเอง เวลาเราได้ลาบยศสารเสริรญสุขมาแล้วเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาไม่อยู่กับเราเราก็ต้องไปหามาใหม่เช่นเราได้เงินทองมาก้อนหนึ่งเราก็เอามาใช้กันเพราะประโยชน์ของเงินทองก็เพื่อซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองแต่เมื่อเราใช้ไปใช้ไป เดี๋ยวเงินทองก็ต้องหมดเลือคร่องลงพอคล่องลงเราก็ต้องไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆเนี่ยความอยากทั้งสามนี้แหละเป็นตัวที่จะคอยผลักดันให้พวกเหานี้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่การเกิดนี้มันก็มีโทษ ตรงที่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะทำให้เราแก่ร่างกายมันก็จะต้องแก่ลงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>พอเราพูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ยังไม่ทันเจ็บเลยเราก็กลัวกันแล้ะเราก็ทุกข์กันละ<ม>ทุกข์ว่าจะไปเป็นโรคร้ายชนิดต่างๆโรคหัวใจโรคมะเร็ง<ม>โรคความดัน<ม>โรคอัมพึก<ม>อัมาพาต โรคภัยต่างๆที่จะต้องเกิดทุกครั้งที่มีร่างกายหนีไม่พ้น <Yeah. S 1> และในที่สุดก็จะต้องไปสิ้นสุดลงที่ความตาย <Yeah. S 1> แต่ความตายนี้มันไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดของความทุกข์ของใจเพราะว่าใจนี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ ยังมีความอยากอยู่สามข้ออยู่เหมือนเดิมคือยังอยากมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายังอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอยากหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันมันก็จะเป็นตัวผลักดัน ให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ว่าเราจะกลับมาเกิดกี่รอบก็ตามความอยากเหล่านี้ที่มีอยู่ในใจนี้จะไม่มีวันหมดเพราะการทําตามความอยากนี้ไม่ได้ทําให้ความอยากลด น, น้อยลงไปแต่อย่างใดแต่กลับทําให้ความอยากนี้มีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ลองสังเกตดูเวลาที่เราได้อะไรมานี้แล้วพอเราได้มาแล้วนี่ครั้งต่อไปเราก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้น mm. เช่นถ้าเราเป็นข้าราชการ mm. เราเป็นทหาร mm. ตอนต้นเราก็เป็นพลทหารแล้วเดี๋ยวเราก็พอได้เป็นพลทหารแล้วเราก็อยากจะได้เป็นนายสิบ mm. จากนายสิบเราก็อยากจะเป็นนายร้อย mm. อย่างนายร้อยเราก็อยากจะเป็นนายพันนายพลเป็นเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ไม่พอพอเป็นนายพลแล้วไม่มีที่ไปสูงกว่านี้แล้วก็ต้องย้ายเปลี่ยนไปเป็นข้าราชการการเมืองไปเป็นสสเป็นสวไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกพัฒมนตรี พอเป็นสูงสุดเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่พอก็ยังอยากเป็นอยู่เรื่อยๆอยากจะเป็นไปจนวันตายถ้าไม่มีข้อจํากัด<ม>เป็นได้นานเท่าไหร่ยิ่งดนะีนี่แหละคือตัวที่มาผลักดันให้พวกเราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆพวกเรานี้เราอยู่กันเองได้ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ และสามารถมีความสุขได้มากกว่าการมีร่างกายเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมามีความทุกข์ของความของร่างกายคือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายทุกข์ที่จะต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับร่างกายอันนี้จะไม่มีถ้าเราไม่มีร่างกายกัน แต่ถ้าเรามีร่างกายเราก็ต้องหนีไม่พ้นกับความทุกข์เหล่านี้และเหตุที่พาให้เราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากสามข้อนี้เองคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพภะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ไม่มีใครรู้ว่านี่คือตัวสาเหตุที่พาให้เรามาติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถค้นพบต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเองก็ตอนต้นก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้พระองค์ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย แต่พระองค์ก็มีความปราถนามีสติมีปัญญามีความคิดที่ฉลาดรอบคอบที่สามารถวิเคราะห์วิจัยสิ่งต่างๆด้วยเหตุด้วยผลได้จนในที่สุดก็ส่งคนพบเหตุที่พาให้พวกเราทุกคนต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ นั่นก็คือความอยากทั้งสามข้อนี้และนอกจากทรงค้นพบเหตุที่พาให้พวกเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันคือกามะทันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาแล้วพระองค์ยังทรงได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้กามะตันหาภาวะันหาวิภาวะตันหาบมดสิ้นไปจากใจได้ ปัญหาทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เราลบล้างได้เรากำจัดได้เหมือนกับเวลาที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาตัวที่มาสร้างโรคระบาดก็คือเชื้อโรคเชื้อไวรัสเนช่นเราคงรู้จักโควิดสิบเก้ากันดีตอนท่นที่มันโผล่ขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เกิด โรคระบาดทําให้คนตายกันมากมายพอพวกหมอพวกนักวิจัยเริ่มเอาเชื้อโรคเพาะเชื้อออกมาจากคนไข้ที่ติดเชื้อก็สามารถแยกพบว่าเป็นเชื้อโควิดเป็นไวรัสชนิดหนึ่งพอรู้ว่าเป็นไวรัสชนิดนี้ก็พยายามหายาหาวิธีที่จะกําจัดในที่สุดก็ค้นพบวิธี ที่จะค้องกันไวรัสชนิดนี้เวลาที่เข้าไปสู่ร่างกายนี้สามารถต้านไวรัสต้านไม่ให้มันมาทำให้ร่างกายถึงแก่ความตายได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ตอนนี้ถูกไวรัสเข้ามาก่อกวนสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจของพวกเราไวรัสของใจนี้ก็คือ กามะตนะหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี้แล้วก็จะต้องมีวิธีที่จะสามารถต้านหรือกำจัดไวรัสทั้งสามนี้กามะตนะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี้ให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนค้าอยู่และในที่สุดก็ส่งคนพบเครื่องมือ ที่จะกำจัดไวรัสทั้งสามนี้ก็มือที่จะทําให้กามะตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหานี้หมดสิ้นไปจากใจนี้ก็คือการปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือทานแปลว่าการให้ข้อสองคือศีลการละาการกระทาบาป และข้อสามคือการภาวนาเพื่อที่จะมาชำระจิตใจให้สะอาดกําจัดความอยากที่มีในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและเห็นว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องเป็นวิธีที่สามารถ กำจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ได้พ อ, อพระทัยของพระองค์นี้ปราศ จ, จากความอยากทั้งสามนี้แล้วพระองค์ก็รู้ว่าการที่จะไปเกิดอีกต่อไปนั้นสิ้นสุดลงแล้วเพราะใจไม่มีความหิวโหวยกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอีกต่อไป ใจสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจใจมีความสุขในตัวของใจเองด้วยการพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัญหาทั้งสามที่สร้างขึ้นมานั่นเองพอใจที่ต้องไปดินลนยเพราะปัญหาทั้งสามเป็นตัวคอยผลักดัน ปัญหาทั้งสามนี้ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากใจใจก็เลยไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาความสุขใจไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์กันใจก็เลยอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายได้อยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมาให้เสพได้ นี่คือวิธีที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบรูปค้นพบสาเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายและค้นพบวิธีที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนาสามข้อนี้เท่านั้นเองไม่ยากเย็นอะไรมากมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยสุดวิสัยของผูของมนุษย์ทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ พอเราทุกคนนี้สามารถที่จะปฏิบัติได้กันทุกคนทําทานได้รักษาสิ่งได้ภาวนาได้ถ้าเราจะทำเท่านั้นเองที่ว่าทําไม่ได้ก็เพราะว่าไม่อยากทํากันเพราะว่ามันเป็นของที่เราไม่ถนัดของที่เราถนัดก็คือการไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันนั่นเองความจริงการหาลาบยศสารเสริญสุคนี้ มันยากยิ่งกว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนาสิแต่เนื่องจากว่าเราเคยชินกับการหาราบยศสรรเสริุสุขมาเป็นเวลาอันยาวนานหลายภพหลายชาติด้วยกันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายแต่พอเราต้องมาปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็กลับไปเห็นว่ามันยาก เพราะว่าเป็นของที่เราไม่ค่อยได้ทํากันนั่นเองไม่ใช่ไม่ไม่ไมถ้าให้เป็นอย่างนั้นญาติโยมลองสังเกตดูญาติโยมถนัดมือไหนถนัดมือขวาหรือมือซ้ายถ้าญาติโยมถนัดมือขวานี่เวลาใช้มือขวาทําอะไรนี่มันรู้สึกสะดวกง่ายได้แต่ถ้าให้มาใช้มือซ้ายมือที่เราไม่ถนัดมือที่เราไม่เคยใช้ เราจะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากนั่นก็เพราะว่ามันไม่เคยนั่นเองความไม่เคยชินนั่นเองที่ทำให้มันยากส่วนความง่ายก็เกิดจากความเคยชินเท่านั้นเองถ้าสมมติว่ามือขวาที่เราถนัดนี้เกิดไปมีอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายแล้วถ้าเราหัดใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆต่อไป เราก็จะถนัดเหมือนกับที่เราใช้มือขวาแม้แต่คนบางคนนี่ไม่มีมือทั้งสองข้างก็มีไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่ก็ยังสามารถใช้เท้าเป็นเป็นแทนแทนใช้มือได้เอาเท้ามาวาดเขียนได้วาดภาพวาดอะไรที่ที่สวยงามกว่าคนที่วาดภาพไม่เป็นที่ใช้มือวาดซิ นี่มันขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนอบรมทนันเองเราไม่ถนัดเราจึงไม่ชอบทำกันมันก็เลยทำให้เรานี้ไม่สามารถแก้กปัญหาของเราได้ถ้าเราไม่ชอบทำทานไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบภาวนาเราก็จะเลี่ยงกันเราก็จะไม่ทำกันทำก็เฉพาะเวลาที่เหมือนกับถูกบังคับเท่านั้นเองเช่นทําในวันสำคัญต่าง วันเกิดวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาวันอะไรวันสำคัญทางศาส <c oughs> นาเท่านั้นถึงจะทำแต่ถ้าให้ทำแบบเป็นนิสัยให้ทำแบบทุกวันนี้จะไม่ชอบทำกัน <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการที่เราจะมาแก้ มายุติความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปเพราะว่าเครื่องมือที่เราจะต้องใช้นี้เป็นเครื่องมือที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเราก็เลยรู้สึกที่มันยากหรือไม่อยากจะใช้มันเราถนัดใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งก็คือใช้การหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่น เราก็เลยมุ่งไปทางนั้นมุ่งไปหาความสุขทางนั้นซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราไปติดกับลาบยศสารเสริญสุขแล้วเวลาที่ลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมลงมันก็จะทําให้เราทุกข์กันเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะ ลดความทุกข์ให้น้อยลงกลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. เพราะการไปหาราบยศเสริญสุขนี้ mm hmm. ก็เป็นการไปทําตามความอยากทั้งสามนี่เอง mm hmm. คือกามาตัาหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหา mm hmm. ที่เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนี้ mm hmm. ก็เพราะเราไปเป็นผู้สนับสนุนมันเอง ใบเลี้ยงมันเองเลี้ยงให้มันมีกำลังวังชาจเจริญเติบโตให้มันมีกำลังที่คอยผลักดันจิตใจของพวกเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเหล่านี้มาตัดกำลังของความอยากเหล่านี้ด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา mm hmm. การปฏิบัติสมอย่างนี้แหละ ที่จะเป็นตัวตัดกำลังของกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาแล้วได้เห็นผลแล้วจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาของพระองค์ว่าเป็นวิธีที่จะตัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้เมื่อได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับบุคคลต่างๆต่อไปตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆนี้พระองค์ก็ยังมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยอยากที่จะสอนวิธีของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้แก่ผู้ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นของที่ยากนั่นเองเป็นของที่มันทำไม่ไม่ถนัดคนไม่คนส่วนใหญ่จะไม่จะจะไม่ถนัดแล้วจะไม่อยากจะทำสอนไปก็เกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์อะไรในเบื้องต้นนี้ไม่ใครไม่อยากจะสอนใครไม่อยากจะให้ให้สอนให้ใครมายุติความอยากกันเพราะเห็นว่ามีแต่ ส่งเสริมความอยากกันส่งเสริมให้หาลาบยศสารเ ส, สริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันให้มากขึ้นไปแทนที่จะให้ลดการหาความสุขจากลาบยศสารเ ส, สริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นกลับมีการส่งเสริมมีการผลักดันทุกวิธีแม้ในสมัยปัจจุบันในยุค ข, ของพวกเรานี้ก็มีการพยายามผลักดันให้ มุ่งไปในการหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่ง <c oughs> หาการสรรเสริญเยิอนยอหาลังวีรังวันต่างๆหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายต่างๆในเบื้องต้นพระองค์ทรงมองไปในมุมนั้นมุมเดียวคือมุมของคนที่ต้องการที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ อยากรู้เสียงกิ่นรสต่างๆนั่นเอง mm hmm. ก็เลยไม่มีความอยากที่จะสอนใครสอนไปกลัวว่าจะไม่มีใครจะปฏิบัติตามสอนไปแล้วกลัวว่าจะเสียเวลา mm hmm. ก็เลยยังไม่คิดที่อยากจะสอนใครตอนนี้ตอนนั้น mm hmm. แต่พอเท้ามาหาพรหมนี้ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแต่ไม่อยากจะเอาความรู้นี้มาสอนใคร ถ้ามหาพรหมก็เลยต้องมากราบอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกที่มีอยู่ที่ยังอยากที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พวกที่ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเขาอยากจะไปหาลาบยศสรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ปล่อยให้เขาไปเถิด แต่ยังมีอยู่บางพวกที่เห็นรู้ว่าการไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการดับความทุกข์แต่อย่างใดขอให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอีกสักครั้งเถิดหลังจากที่ได้รับการขอร้องจากเท้ามาหาพรหมพระพุทธเจ้าก็เริ่มพิจารณาก็เห็นว่าคนนั้นก็มีอยู่หลายพวกด้วยกัน พวกที่หลงละเลงอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสารเสนสุขนี้ก็เป็นพวกเป็นพวกพวกใหญ่พวกใหญ่ที่สุดก็คือพวกที่ชอบสแสวงหาความสุขจากการเสพการชนิดต่างๆนั่นเองแต่ยังมีพวกที่เป็นพวกที่น้อยกว่ามากแทบจะแทบจะไม่เห็นเลยถ้าไม่สังเกตคือพวกที่อยากจะหาความสุขจากวิธีอื่น จากวิธีทาทานอยากวิธีรักษาศีลอยากวิธีภาวนาเพียงแต่ว่าไม่รู้จากวิธีภาวนาที่ <c oughs> ถูกต้องนั่นเองภาวนาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้ เ, เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ายังมีกลุ่มที่สนใจและที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปสอนพวกนี้สอนพวกที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ทรงแยกพวกนี้ไว้เป็นสา ม, สามเหล่าหรือพวกที่จะสามารถที่จะรู้เร็วปฏิบัติได้เร็วได้ดูดพ้นได้ง่ายก่อนพวกพวกที่หนึ่ง แล้วพวกที่สองก็เป็นพวกที่ต้องใช้เวลามากหน่อยถึงจะสามารถหลุดพ้นได้แล้วก็พวกที่สามก็เป็นพวกที่จะต้องใช้เวลามากขึ้นอีกแต่ก็ยังมีโอกาสถ้าเขาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเขาก็จะได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตามลำดับต่อไปมีแบ่งสามกลุ่ม แล้วก็กลุ่มที่สี่ก็คือพวกที่ไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เพราะว่าไม่เห็นความสําคัญไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจเพราะว่าเขามีความเห็นว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ในใจเขาก็คือวิธีหาความสุขจากลาบยศสรนเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่พวกนี้ก็เป็นพวกที่สี่ก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับบัวสีเหล่าบัวสีเหล่านี้ก็บัวเหล่าแรกคือบัวพลน้ำ้ำบัวที่ได้พ้นโผกขึ้นมาเหนือน้ำแล้วบัวนี้พอได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในตอนเช้าก็จะบานขึ้นมาทันที นี่เป็นบัวพวกที่สามารถที่จะเรียนรู้และบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ได้ยินได้ฟังวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าให้ดับด้วยอะไรให้ดับอะไรด้วยวิธีใดเท่านั้นเองอังนี้เป็นพวกที่หนึ่งพวกที่สองเป็นพวกบัวปลิ่มน้ําพวกที่ยังไม่พ้นจากน้ํายังอยู่ใต้น้ําอยู่ อยู่อยู่บริเวณผิวน้ำใต้ผิวน้าลอยอีกวันสองวันก็จะผุ่เหนือน้าขึ้นมาแล้วก็จะบานต่อไปได้แล้วพวกที่สามก็คือพวกบัว ก, กลางน้ำพวกพวกที่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้แล้วก็พวกที่สี่บัวที่อยู่ยังอยู่ตามตมโครอนอยู่บัวที่ยังไม่เจริญเติบโตขึ้นมา พวกนี้มักจะถูกปูหรือปลามากินเป็นอาหารเสียไปไปเสียก่อนโอกาสที่จะได้โผล่ขึ้นมาเป็นบัวเหล่าที่สองที่สามที่สี่นี้ก็เป็นก็จะไม่มีพวกนี้คือพวกบัวบัวที่อยู่ตามโคลนต่อม ท, ที่พวกเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เลยทรงตัดสินพระทัยที่จะเลือกที่จะมาช่วยบัวสามเหล่าบัวกลางน้ําบัว เปลี่มน้ำและบัวเหนือน้ำอันต้นก็ไปสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ำก่อนบัวที่พ้นน้ำแล้วเพราะเป็นพวกที่จะสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมเท่านั้นเองพวกนี้ก็คือพวกที่ได้ทำทานมาแล้วพวกที่ได้รักษาศีลบอยสุด และพวกที่ได้ภาวนาทาใจให้สงบได้แล้วมีสมาธิมีฌานแล้วพวกนี้ก็คือพวกพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเอง mm hmm. เป็นพวกที่ถ้าได้แสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอน mm hmm. เพียงแค่ฟังเพียงทั้งเดียวว่าให้หยุดความอยากเท่านั้นเองหยุดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นไตรลักษณ์เพียงสอนแค่นี้ mm hmm. เขาก็จะเข้าใจ เขาก็จะรู้จักวิธีเขาจะรู้จักว่าจะต้องหักห้ามความอยากและการจะหักห้ามความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากเช่นลาบยศสารเสริญความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านนี่เองพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความแย่เคยที่ความหลงที่เคยคิดว่ามันเป็นของที่จะให้ความสุขก็หมดไป เมื่อแทนแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกลับไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์ก็ไม่มีใครอยากจะได้ก็ไม่อยากจะได้มันความอยากที่อยากจะได้ก็หายไปหายด้วยปัญญาหายด้วยหายด้วยความเข้าใจที่เห็นว่าสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสญสุขละบความสุขที่เกิดจากการกระทาสมาธิก็ล้วนเป็นความสุขแบบอนิจจังทุกขังมาตา ถ้าไปยึดไปติดแล้วก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากเสพความสุขแบบนี้ยังมีอยู่ในใจแต่พอเห็นว่าความสุขแบบนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะทาให้มันเที่ยงได้ ทำยังไงก็ทำให้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็จะต้องสร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็เมื่อร่วมนเป็นความทุกข์เราก็ไม่อยากจะไปแตะเหมือนกับไฟเนี่ยถ้าเราไม่เคยแตะไฟมาก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมันร้อนก็ได้เช่นเด็กๆเนี่ยถ้ายังไม่มีประสบการณ์กับไฟก็ไม่รู้ว่าไฟมันร้อน ก็อาจจะไปเล่นกับไฟได้แต่พอไปเล่นกับไฟแล้วโดนไฟลุกเนี่ยต่อไปจะไม่กล้าเล่นกับไฟต่อไปพอรู้แล้วว่าไฟนี้มันร้อนไฟมันอันตรายไฟมันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราหลงกันว่าเป็นความสุขในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขจากรูปเสียงกลดิ่นรสผลพะไม่ว่าจะเป็นความสุขจาก รูปประชานหรืออารูปประชานก็ตา่างความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นตายรักณทั้งนั้นพอรู้ว่ามันเป็นตายรักก็ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองอะไรที่เป็นตายรักษอะไรที่มันไม่เที่ยงมันก็ย่ำต้องทําให้เราทุกข์เวลามันอยู่มันก็ทําให้เราสุขเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์กันพอรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ไปหามันแล้วเราก็หยุดความอยากได้ ผู้ที่จะหยุดความอยากได้จากการได้ยินได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังหยุดของใจคือต้องมีสมาธิมีฌานมีอุเบกขาที่ได้จากสมาธิคือความนิ่งเฉยถ้าสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้เวลาความหลงไปคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นมีความสุขปัญญาก็จะมาบอกว่ามันไม่สุขหรอกเพราะมันมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงพอรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นทุกข์ เรามีกําลังหยุดแล้วก็หยุดไปท่านเองแล้วก็ไม่ไปทําตามความอยากได้พอเราไม่ไปทําตามความอยากได้ความอยากมันก็จะหยุดไปหมดไปนีพวกที่จะสามารถทําได้ตามที่พุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีอุบเบกขาก่อนถึงจะทําได้พอพิจารณาเห็นว่าเป็นใจรักษณ์เห็นว่าเป็นทุกข์ก็หยุดได้หยุดความอยาก อยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้พวกแรกที่มีความสามารถก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนั่นเองพวกนักบวชนี้เขาทำทานมาหมดแล้วเขาเคยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเราแต่เขาเห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ดับความทุกข์ไม่ได้เขาก็เลยทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแล้วมาอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิ เพื่อที่จะด ah ับความทุกข์ศีลก็ดับความทุกข์ได้ในระดับของศีลสมาธิก็ดับความทุกข์ในระดับของสมาธิได้แต่มันเป็นความการดับแบบชั่วคราวท่านเองมันไม่ได้ไปการดับอย่างถาวรวิธีที่จะดับได้อย่างถาวรนี้ต้องดับด้วยปัญญาคือมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์ความอยากที่ทาให้เกิดความ อยากให้เรามาเวียนไหว้าตายเกิดมันก็จะหมดไปต้องมีปัญญาตัวนี้ไม่มีใครรู้คนที่ปฏิบัติในยุคพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้ต้องมาเวียนไหว้าตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ด้วยตายรักนี้หยุดอย่างไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สามารถค้นพบวิธีหยุดความอยาก ด้วยปัญญาได้ถ้าหยุดความอยากด้วยปัญญาได้ก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรหยุดความอยากด้วยสมาธิหยุดความอยากด้วยศีลหยุดความอยากด้วยทานนี้หยุดได้ชั่วคราวแต่ไม่ตายเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอกีกมันไม่มีวันหมดเพราะว่าเป็นเหมือนกับการที่เราไปเอาเอาตัดหญ้านี้ถ้าเราตัดหญ้า หญ้ามันไม่ตายหรอกเพราะเราไปตัดแต่แ ต, แต่ใบมันรากมันเราไม่ได้ถอนมันออกมาตัดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันได้น้ำมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่หอวิธีที่จะทำให้หญ้ามันหมดไปนี้ต้องถอนรากของหญ้าเช่นเดียวกับความอยากต่างๆนี้มันจะไม่หมดถ้าเราใช้ทานศีลสมาธิเป็นตัวกาจัดเราเพียงจะทาให้มันลด ลงได้เบาลงได้แต่มันจะไม่ตายพอเราเผลอขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากให้มันหมดไปเราต้องใช้ปัญญาเท่านั้นปัญญาจะเป็นผู้ถอนรากถอนโคนของความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือวิธีการที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ แล้วก็เอามาสอนทรงเลือกสอนคนที่สามารถที่จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก่อนก็เลยมุ่งไปสอนพวกนักบวชนักบวชกลุ่มแรกที่ไปสอนก็คือพระปัญจวคีนี่พระปัญจวคีก็เป็นผู้ที่เคยติดตามพระพุทธเจ้ามาก่อนเคยฝากความหวังให้กับพระพุทธเจ้าหวังพึ่งพระพุทธเจ้า ให้มาเป็นผู้สอนวิธีดับความทุกข์ให้กับเขาแต่พระพุทธเจ้าก็ทําให้เขาผิดหวังเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยุติวิธีการหยุดความอยากดับความทุกข์ด้วยการทรมารร่างกายด้วยการไม่รับประทานอาหารโดอาหารถึง49วันด้วยกันแต่หลังจากได้อดถึง49วันก็ยังเห็นความอยาก ยังมีอยู่ในใจเหมือนเดิมอยู่ไม่มีความรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดยังรู้ว่ า, าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไปท ร, รมารร่างกายมันไม่ได้ทําให้ความอยากมันหมดไปไสงผลเพราะว่าความอยากมันอยู่ในใจและวิธีที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องใช้วิธีสมาธิและปัญญานี่ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่นวิธีปฏิบัติ เลิกออาหารพพระพุทธเจ้าโอดอาหารภาพปัญจวัคคีย์ที่ติดตามก็คิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้กลัวตายไม่ก็เลยเสื่มศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าก็เลยแยกตัวออกไปไม่ติดตามเป็นสาวกอีกต่อไปเมื่อหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัูวได้ค้นพบวิธีก็คิดถึงพระปัญจวัคคีย์เพราะรู้ว่าพวกนี้เขามี มีมีสถานภาพพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะเขาเป็นพวกเหมือนพวกบัวเหนือน้ำแล้วรอแสงสว่างของดวงอาทิตย์ให้โผล่ขึ้นมาเท่านี้เองถ้าได้สัมผัสกับแสงสว่างดวงอาทิตย์บัวก็จะบานออกมาทันทีพระพุทธเจ้ารู้ว่าใจของเขานี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วถ้ามีแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเขา พอไปโปรดพระบัญจากวกีแสดงทำให้ฟั ง, ง, งทั้งสองครั้งทั้งห้าคนก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้กำจัดได้หยุดความอยากต่างๆด้วยกับพิจารณาตามที่พระเ จ, จ้าทรงสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็รู้ว่าก็ไม่อยากได้ใครไปอยากจะได้ความทุกข์มั่ ที่เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราคิดว่าเป็นความสุขแต่ถ้ามีใครมาบอกว่ามันเป็นความทุกข์นี่เราก็จะไม่อยากได้ ท, ทันทีถ้าสมมติว่ามีใครเขาบอกว่ามีของดีให้แต่ถ้าได้มาแล้วต้องไปเสียภาษีนี่อยากจะได้ไหมไม่อยากได้ใช่ไหมคิดว่าถ้าถ้าได้มาปล่าเปลฟรีๆก็อยากจะได้กันแต่พอรู้ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ก็ไม่อยากนะ ถ้าต้องฟักเนื้อฟักกระเป๋าไม่อยากทำไมอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราไม่มีปัญญาเราก็เลยไปคิดว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็เลยไปวิ่งหามันไปเอามากันหาเงินหาทองหายอหาตำแหน่งกันแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ไม่ไกลคิดกัน คิดว่ามันพอได้มาแล้วจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนไปต้องหมดไปหรือเราต้องจากมันไปถ้ามันไม่จากเราไปเราก็มันก็ต้องจากเราไปเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงตายักทรงสแสดงอริยสัจสี่เหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากวิธีที่จะทำให้ความอยากหยุดไปก็ต้องเห็นตายัก เท่า น, นั้นเองเขาก็เข้าใจเขาก็ปล่อยวางได้เขาก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเขาได้หยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะรู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงหยุดความอยากที่จะมีร่างกายได้เพราะมีร่างกายแล้วจะต้องทุกข์ไม่ใช่มีความสุขและสิ่งที่ร่างกายหามาให้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นพอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดก็เลยหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้อย่างสิ้นเชิงพอไม่มีความอยากในใจแล้วความทุกข์ในใจก็ไม่มีต่อไปความอยากที่จะไปมีร่างกายเพื่อหาความสุขมาดับความทุกข์ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปครั้งแรกก็ไปสอนพ ว, พวกที่เป็นปัวเหนือน้าก่อน คือพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยทรงแสดงธรรมไปปวดไตไปตามสำนักต่างๆเวลาแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่มาฟังนี้จะแทบจะบรรลุธรรมกันทุกทุกคนเลยทุกครั้งที่ไปแสดงตามสำนักนักบวชต่างๆเพราะพวกนี้เขามีเครื่องมือพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งปัญญาเขามีศีเขามีทานมีศีเขาทาทานมาแล้วเขารักษาศีได้บริสุทธิ์แล้ว เขามีสมาที่มีอุเบกขาแล้วพอได้ยินในฝฟังปัญญาว่าเราต้องหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากเพราะมันพาให้เราไปหาความทุกข์กันพอมีอุเบกขาทาใจให้นิ่งเฉยได้พอเกิดความอยากก็ใช้อุเบกขาหยุดมันทันเองใจก็ไม่อยากอีกต่อไปในระยะแรกๆที่ทรงแสดงธรรมนี้เจ็ดเดือนแรกทรงแสดงธรรมไปปวดพวก นักบวชเสเป็นส่วนใหญ่จนปรากฏมีพระอาหารถึงหนึ่งันสองรรูปเนี่ยที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสมคือวันมาฆบูชานี่เป็นระยะเวลาเจเดือนหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ของปีก่อนวันเพ็ญเดือน8 4สเดือนก็ครบปีแล้วมาต่ออีกสามเดือนก็ได้เจดเดือนด้วยกัน เพียงทรงแสดงธรรมเพียงเจ็ดเดือนฉะนั้นมีผ้าอาหารหันตปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปแล้วก่อนที่พระเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงธรรมนี้ไม่มีใครไม่มีผ้าอาหารหันตปรากฏในโลกนี้เลยโลกนี้ว่างจากผ้าอาหารหันต์มาเป็นเวลาอันยาวนานจนกระทั่งมามีพระพุทธเจ้านี่แหละองค์แรกที่มาฟื้นฟูธรรมเนียม สายของผ้าอนันต์ให้ปรากฏขึ้นมาใม่พระพระพุทธเจ้าเป็นผ้าอนันต์องค์แรกการเป็นพระพุทธเจ้าการเป็นผ้าอหันต์ด้วยตนเองนี้จึงมีชื่อต่างกับผ้าอนันต์ผ้าอนันต์ที่ได้เป็นผ้าอนันต์ด้วยตนเองเราเรียกว่าผ้าอนันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่เป็นผ้าอนันต์ได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เราเรียกว่าพระอารหันตสาวกในพระพุทธศาสนานี้จะมีพระอารหันตสามมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนอกนั้นผู้ที่มาเป็นพระอารหันต์นี้ต้องเป็นพระอารหันตเพราะเป็นสาวกสาวกแบ็ผู้ผู้ศึกษาหนึ่งเป็นนักเรียนหนึ่งคาว่าสาวกก็คือนักเรียนเป็นผู้เป็นผู้ฟังผู้ผู้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ พระอาหารหันต์มีมากมายเป็นแสนเป็นล้านนล้วมองถ้ามีใครเก็บสถิติไว้เพราะตลอดระยะเวลา 2,500 กอกว่าปีมานี้ก็มีการปรากฏมีการบรรลุทำเป็นพระอาหารหันต์กันมาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้มีพระอาหารหันต์มาปรากฏอยู่เรื่อยๆเพราะมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆนั่นเองไม่มีขาดตอน ยังมีการบรรลุเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีไม่มากเท่ากับผู้ที่มาบวชกันผู้ที่มาบวชมาศึกษานี้บางทียังปฏิบัติไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เลยยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้บางทีก็ติดอยู่ที่ขั้ น, นศึกษาเรียนเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติบวชแล้วก็รักษาศีได้ทาทานได้สละทานไปหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สละไปหมด ทำทานแล้วก็มารักษาศีลบวชเป็นพระถือศีล227ข้อแล้วก็ไปเริ่มเรียนหนังสือเรียนธรรมะก่อนเรียนวิธีที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรแลพอไปเรียนจบก็ไปติดที่ตรงนั้นพอไปเรียนจบแทนที่จะไปปฏิบัติต่อก็คิดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพอแล้วก็เลยไม่ไปเรียนต่อกลับมาตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นต่อไป อันนี้ก็มีอยู่เยอะจึงไม่จึงไม่ได้บรรลุ ก, กันเป็นพระอาหารหันต์กันพวกที่บรรลุกันนี้พอเขาเรียนแล้วเขาก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างเข่งคัดเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติทุดงขวัดเพื่อคอยสกัดกั้นความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตาวกกันขึ้นมาในพระพุทธศาสนานี้จึงมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว เพราะว่าผู้ที่มาเป็นพาาระอรหันต์หลังจากนั้นจะเป็นได้ก็เพราะว่าได้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าถ้าไม่มีพระคำคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีทางที่จะได้เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองคนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองนี้ต้องเป็นคนที่วิเศษจริงๆคนที่เก่งจริงๆฉลาดจริง ๆ, ๆ นี่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคนชราอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นเป็นทุกร้อยปีล้านปีร้อยล้านปีพันล้านปีมันเป็นน้านๆ้านล้านๆ้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักองค์หนึ่งพอมาเป็นพระพุทธเจ้าพอบรรลุทำหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วก็นาเอาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ มาสั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาพวกบัวสามเหล่าเหล่าแรกก็คือพวกที่ได้ทำทานรักษาศีลมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วพอหลังจากนั้นก็ไปสอนพวกที่สองพวกนี้ก็เป็นพวกที่ได้ได้ทำทานแล้วได้ออกบวชได้รักษาศีลแต่กําลังฝึกสมาธิอยู่ยังไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเท่าที่ควรไม่ได้เจริญสติเท่าที่ควร นั่งสมาธิเท่าไหร่ใจก็ยังไม่รวมยังไม่เป็นอุเบกขาก็มาสอนให้พวกนี้มาฝึกมาเจริญสมาธิกันในสติปัฏฐานสีก็สอนให้เจริญสติก่อนให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะกินจะดื่มจะรับประทานจะอาบน้านั่งหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว จะทำอะไรให้มีสติอยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ร่างไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้ฝึกอยู่กับร่างกายเรียกว่ากายกตาสติแล้วพอเวลามีเวลานั่งก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมหายใจเขา้าให้มีสติอยู่กับลมหายใจเขา้าเรียกว่าอาณาปานาสติ เนอสติปัฏฐานสีนี้เบื้องต้นสอนพวกที่ยังนั่งสมาธิไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นสอนให้เจริญสติให้นั่งสมาธิให้ได้ก่อนถ้ามีสติอย่างต่อเ น, นื่องพอเวลามานั่งสมาธิอนาปนาสติดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกมโดยที่ไม่ไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติเฝ้าดูเฉยๆลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมเข้าลมออก ให้รู้อยู่ที่จุดที่สัมผัสที่ปลายจมูกเท่านั้นลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาว ก, ก็รู้ว่า higher, ยาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆไปเพราะใจกําลังจะสงบมันก็จะรู้สึกลมก็จะละเอียดตามแล้วก็จะเห็นว่าบางทีลมรู้สึกหายไปแต่มไม่ได้ไม่หายใจลมมันละเอียดจนกระทั่งจับมันไม่ได้เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปกลัวตายถ้าดูลมหายใจแล้วลมหายไปให้รู้เฉยๆให้ดูต่อไปที่จุดเดิม น, นั่นละแล้วลเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอูเบกขาขึ้นมาองมีส อ, สอนพวกที่ยังฝึกสมาธิพวกที่สองนี่เป็นนักบวชนยยังไม่ได้ฝึกสมาธิก็ฝึกสมาธิก่อนพอได้สมาธิก็สอนให้เจริญใจรลังพิจารณาร่างกายเวทนาจิตเพื่อที่จะได้เห็นว่า สิ่งเหล่า น, นี้เป็นความทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์จิตอารมณ์ต่างๆก็เป็นทุกข์ธรรมอารมณ์ต่างๆก็เป็นทุกข์พอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะได้หยุดมันไม่ไปเสกมันไม่ไปหาความสุขจากกายเวทนาจิตใจก็จะหลุดพ้นได้นี่คือพวกที่สองพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาก็ต้องสอนให้ปฏิบัติสมาสติก่อนให้ได้สมาธิ นายสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญางานที่สุดก็หลุดพ้นได้พวกที่สามนี่ก็เป็นพวกที่ยังไม่ได้บวชคือผู้คลองเรือนคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นก็จะมาถือศีลในวันพระกันหรือศีลแปดมามาฝึกเป็นนักบวชอยูห่หนึ่งวันทำบุญทําทานอยู่อย่างสม่ำเสมอใส่บา ท, ทุกวัน มีพระมามาบินทบาต ท, ที่บ้านก็ใส่่บาตถ้าไม่มีก็มาวัดมาทำบุญทุกวันแล้วก็วันพระก็มาอยู่ข้างคืนที่วัดมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมานั่งสมาธิฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีมากขึ้นสมาธิก็จะเริ่มมีมากขึ้นปัญญาก็จะเริ่มมีมากขึ้น ก็พร้อมที่จะไปอยู่เป็นแบบนักบวชต่อไปได้นักบวชนี้ก็ไม่ได้มาจากใครหรอกกมาจากพวกอุบาสกอุบาสิกานี่เองก่อนที่จะมาเป็นนักบวชก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาก่อนพราะยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักบวชเต็มรูปแบบก็เลยเป็นนักบวชแบบชั่วคราวก่อนอาวัติธิละหนึ่งวันคือวันพระวันพระไปอยู่วัดอยู่แบบนักบวชถือศีลปฏิบัติสติสมาธิ จะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ย mm. ทอย่างนี้ไปก่อนแล้วต่อไปกําลังของของทานของศีลสมาธิของปัญญาก็จะมีมากขึ้นไป mm. จนทําให้พร้อมที่จะออกบวชพร้อมที่จะไปปฏิบัติเต็มรูปแบบต่อไปพอได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามลําดับอย่างแน่นอน นี่คือบัวสามเหล่าที่พระเจ้าทรงแยกออกจากบัวเหล่าที่สี่พวกบัวเหล่าที่สี่นี้ไม่มีโอกาสเพราะเขาไม่เข้าวัดกันเขเข้าไม่หาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะไม่รู้ว่าตัวที่เวียนว่ายตายเกิดคือใครเขาเห็นว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จบร่างกายตายไปแล้วแล้วใครจะไปเกิดใหม่ เขาก็เลยไม่มีความสนใจที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็เลยยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พวกที่เชื่อว่าเนี่ยเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรามาทุกข์กับร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายแล้วเราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่หาวิธีหยุดมัน ในที่สุดเราก็ได้มาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าเราต้องหยุดมันด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอเราปฏิบัติตามคําสอนเราก็เพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยพอปฏิบัติได้เต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยขึ้นมาคือความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจ ก็จะถูกทำลายให้หมดสิ้นไปได้พอหมดสิ้นไปใจของเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน ถ้าเราทำได้เต็มร้อยเราก็จะได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาไรวาาปุราปริปุเรนติสครลงเอวเมวะอิตชจินามเปตานังอุปกาปติ อิจฉิต่างปัจจิต่างตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีตีขายุโกภวะ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 เพราะว่าสามารถคุยกันได้หลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกถ้าอยากจะถามอะไรขอให้เชิญถามในช่วงนี้ถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง You Tube ได้แล้วทีมงานจะนำเอามาอ่านต่อไปอันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ รบเรียนพระอาจารย์ค่ะผู้รับฟังธรรมานากุตจาก Facebook พระอาจารย์421 YouTube พระอาจารย์ YouTube พระสุชาติไลฟ์255 YouTube ด็ร95วิทยุออนไลน์3ครับเฮา s e 13รับฟังนากุต107รวม894ท่านค่ะ ใครอยากจะถามอะไรก็เข้ามาถามได้นะถ้าอยากจะถามเองถ้ า, ถายังไม่มีก็เอาคำถามจากที่ทางในเพจก่อนก็ได้ค่ะจาก youtube พระอาจารย์สุชาตินะคะจากคุณเด e m ม l t ติ e r s a l Unity ขอกราบเรียนขอ ขอกราบเรียนขอธรรมะอธิบายเรื่องรอบสามอาการสิบสองของการรู้อริยสัจสี่เพิ่มเติมครับกราบขอบพระคุณครับ ด, ดูตัวเดียวนะั่นนะดูตัวความอยากไม่ต้องไปดูกี่รอบ <c oughs> มันพอมาเมื่อไหร่ก็หยุดมันเมื่อ น, นั้นหยุดมันด้วยตายรับ <c oughs> เห็นอะไรที่ว่ามันเป็นสุขบวกไม่ใช่สุขมันทุกข์เห็นแฟนอยากได้แฟนหน่อยอยา่อย า, ยาไปอย่าไปมีเลย มีแล้วจะทุกข์เดี๋ยว่าตีกันนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยว่าตีกันอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะคำถามจากคุณเอ ก, กชัยค่ะ<ม>กระาบนมาสการสอบถามพระอาจารย์เรื่องการบวชครับเป็นคนพิการแต่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สามารถบวชเป็นพระได้ไหมครับก็แล้วแต่ผู้ที่เขาจะรับบวชนะ้ว ต้องไปคุยกับพระที่เขาจะบวชให้เราพระก็เห็นว่าพร้อมบวชได้เขาก็จะบวชให้เราตอบไม่ได้เพราะแต่ละแต่ละท่านท่านก็มีความเห็นไม่เหมือนกันแล้วแต่ท่านว่าเห็นว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมแต่อย่างใดต้องไปถามพระที่เราจะไปบวช ด, ด้วย คำถาถัดไปจากคุณกบบัญชากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกระผมนั่งเจริญสติโดยใช้คำบริกรรมพุทโธให้รู้ในลมหายใจไม่ได้หวังว่าจะให้จิตรวมครับแค่อยากให้มีสติดีกว่าปัจจุบันเพราะปัจจุบันเสื่อมอย่างแรงแต่พอนั่งไปเสียและภาพมาจากแต่พอนั่งไปเสียงและภาพมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดกราบพระอาจารย์เมตตาครับก็ไม่ต้องสนใจ ให้สนใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเป็นธรรมดาเวลานั่งสมาธิหรือเจริญสตินี้มันก็มักจะมีอะไรมาคอยรบกวนใจเป็นธรรมดาเราก็อย่าไปสนใจทท้งนั้นเองให้เราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเสียงต่าง ๆ, ๆมันก็จะหายไป คำถามจากคุณนาคาพยากรณ์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์กระผมขอเรียนถามธรรมะคนที่มีอาชีพเป็นหมอดูทำนายไทยทักดูดวงชะตาจะมีบาปหรือไม่ครับก็ถ้าจะบาปก็คงจะบาปเพราะว่าพูดโกหกนะเพราะความจริงเขไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ว่าไปตามตำราตำรามันก็โกหกอยู่แล้วพอไปว่าไปตามตาราก็เลยโกหกตามตาราไปเท่านั้นเอง ของจริงก็คือกรรมบุญบาปนี่เป็นของจริงทำบุญแล้วจะมีความสุขความจเจริญทำบาปแล้วจะมีความทุกข์มีความเสือ่อมความเสื่อมเสียอันนี้เป็นของจริงแต่ของอย่างอื่นว่าดาวดวงนี้จะดูดดาวดวงนั้นจะทำให้ร่ำให้รวยอะไรมันเป็นเรื่องอเรื่องตกแต่งขึ้นมาท่านั้นเอราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากจะ ไม่โกหกก็เอาคำสอนพระเจ้าไปทำนายดีกว่าใครมนถามว่าไอ้คุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแ น, น่นอนรับประกรนันได้ไม่ผิดหวัง คำถามตัดไปจากคุณภูมิภูมิสอบถามหลวงปู่ครับผมเปลี่ยนจากคำบริกรรมพุทโธมาใช้สีลานุสติกะกายคตาสติแล้วเห็นว่ากายวาจาคุมอยู่ในสีไม่อยู่แต่ทำให้คิดมากสอบถามว่าให้ให้สู้ต่อหรือเปลี่ยนมาใช้คำบริกรรมแทนครับเอาบริกรรมนีกว่าเพราะคำบริกรรมนี้จะหยุดความคิดได้อย่างอื่นนี่หยุดไม่ค่อยได้หรอก คำถามตัดไปจากคุณกบบัญชากราบพระอาจารย์ครับนอนฟังบทสวดต่างๆจนหลับผิดไหมครับควรไหมครับถ้าจะสวดเให้เกิดสติเกิดสมาธิก็ผิดเพราะมันจะหลับถ้าอยากจะได้สมาธิได้สติก็ต้องนั่งขนาดนั่งมันยังหลับได้แล้วนอนมันจะไม่หลับได้ไงถ้านั่งแล้วหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดิน อย่าให้มันหลับเพหลับแล้วก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วคำถามถัดไปจากคุณหนุ่มเมืองชนการนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งเพื่อตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทควรใช้แบบอาณาปนาสติหรือการเข้าฌานแบบจิตว่างดีครับก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนสติของแต่ละคนมีกําลังมากน้อยไม่เท่ากันถ้าน้อยมากนี่บางทีดูลมก็ยังไม่ได้พุโทโธก็ยังไม่ได้ ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนหรืออาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนพอจิตเริ่มมีสติมากขึ้นความคิดน้อยลงก็ค่อยมาดูนมหรือพุทโธต่อไปคำถามจากคุณแบมแบมกราบนมัมสการพระอาจารย์พราปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกไม่อยากพูดกับใครไม่ชอบความวุ่นวายควรจะวางใจอย่างไรดีคะก็ดีพราะการปฏิบัติก็เพื่อเราต้องการความสงบ การสก็ต้องไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวข้องกับใครให้อยู่ตามลาพังฮะยกเว้นว่าถ้ามีความจาเป็นมีงานมีการต้องทำก็ทำไปแต่ถ้าไม่จาเป็นก็อยู่คนเดียวดีกว่าหาความสุขจากความสงบดีกว่าญาติโยมจะมาถามคำถามไหมเชิญพูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้เสียงดังอยมาัใจ คือโยมมีปัญหาอยากจะถามท่านอาจารย์ค่ะว่าโยมทำแล้วอ่ะอยู่ๆเนี้ยเออมันไม่ใช่ว่าใจเต้นแต่มันเหมือนกับมันมีตัวที่มันเต้นเต้นเต้นเต้นอยู่ในอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันตอนแรกเหนื่อยมากแล้วตอนนี้มันเต้นดังมากมันมันเต้นมากๆแล้วเต้นแรงๆโยมก็นั่งดูในขณะที่นั่งดูอยู่เนี้ยก็ <c oughs> เห็นว่าก็กำหนด ดูไป ด, ด้วยด้วยด้วยด้วยตั้งตั้ ง, งเอกคือสติเนี่ยตั้งดูไปด้วยพอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมั น, มนทะลุออกมาพอมันออกมาจากหน้าอกในยงก็หันโยงก็ดูต่อพอดูต่อปุ๊บก็ก็เห็นความว่าโอ้ตรง น, นี้ร่างกายเราไม่มีมันมีแต่ความรู้อยู่เฉยๆว่าอ๋อจิตกับใจเนี่ยแต่ใจกับรู้ผู้รู้เนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าเจ้าค่ะ ตัวเดียวกันแต่มันทำสองหน้าที่ตัวนึงรู้ตัวหนึ่งคิดทาหน้าที่สองหน้าที่ ค, คิดได้ด้วยรู้ได้ด้วย<ช>แต่มัน ต, ตัวเดียวกันเพราะเป็นตัวเดียวกันใช่มคะแล้วตอนนี้จิตเนี่ยมันหดตัวลงปกติเนี่ยมันจะเห็นกว้างๆมันจะไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลา น, นะคะแต่ตอนพอพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันหดตัวลงมาก็คือตอนนั้นเนี่ยจะคิดอะไรไน้คิดออกไปไม่ได้ใช่มันหยุดคิดไง การทำสมาธิก็ เ, เพื่อหยุดคิดให้เหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยๆ่ะอนั้นพยายามทําให้มันหยุดคิดแล้วให้นั่งนิ่งเฉยๆให้รู้เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้รู้ด้วยใช่ค่ะถ้ารู้ถ้าถ้ายังมีอะไรให้รู้อยู่แสดงว่ายังไม่สงบ ต, ต้องให้มันว่างค่ะเหลือแต่รู้เฉยๆรู้อยู่กับความว่างเป็น อ, อย่างเดียววิธีการทำก็ต้องมีอะไรคอยผูกใจไว้เช่นมีลมหายใจ เรว่าพุทโธพุทโธพุทโธค่ะอย่านั่งเฉยเฉยแล้วพอหลังจากนั้นณขณะตอนนี้เนี่ยก็จะมีพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในอยู่อยู่ในจิตในตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยค่ะใช่ค่ะอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจะเย็นใจจะสบายใช่ค่ะนั่นหลักคือวิธีฝึกสติเพื่อนั่งสมาธิให้จิตสงบไ้ว่าะมีความสุขจากความสงบ แล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรใช่ค่ะอยากจะอยู่ตามน้ำพังอยู่กับความสงบใช่ค่ะดีแล้วละ่ะมาทำต่อไปค่ะแล้วถ้าไปหลวมก็พิจารณาไตรลัก ถ้าไปรักใครไปชอบใครไปอยากได้อะไรก็บอกเป็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ค่ะทุกข์เพราะไม่เที่ยงค่ะเราไม่สามารถทําให้มันเที่ยงได้ใช่ค่ะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปใช่ค่ะนี่คือปัญญาค่อยๆสกัดความอยากใช่ค่ะพอจิตจะส่งออกไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ตัดหมดตัวนี้ตัวนี้ตัดอยู่ตลอดเวลานะคะมันอยู่ข้างในให้มันอยู่ความว่างเพียงอย่างเดียวค่ะความว่างนี่เป็นความสุขที่แท้จริงโระเจ้าวะทิบาณังพลังังสุญญ์อย่างค่ะ ความสุขของพระนิพพานก็คือความว่างของตัค่ะสาธุสาธุาทำต่อไปอย่าหยุดค่ะสาธุนะาทำอย่างมันไม่มีอะไรจะให้หลงแล้วถึงจะหยุดได้ถ้ายังหลงอยู่ก็ยังหยุดไม่ได้ทําต่อยังห่วงใครยังรักใครยังหวงใครแสดงว่ายังหลงอยู่อนะไม่เห็นเขาว่าเป็นไตล่ละไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์นะอย่าไปรักไปหวงอะไรตายหมด ไม่มีใครอยู่รอดแม้แต่คนเดียวนะโอเคนะแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาแต่มันไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปกลัวมันไม่่พหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าไอ้วางลัวว่าจะตายจะหมดไปมันก็แค่นอนหลับไปนั่นเงทิ้งร่างกายไปมล้นตอนนอนหลับแล้วก็ทิ้งร่างกายไปเชื่อขาวไม่มีอะไร เ อ, อตัามีท่านยังอยู่ข้างหลังเมีหนังสือธรรมะถ้าต้องการก็หยิบไปได้นะครับเรียนพระอาจารย์ครับผมคนอื่นก็ขอออกตัวก่อนผมมือใหม่ครับเพิ่งศึกษาเรื่องนี้แล้วก็คำถามอาจจะอาจจะเบสิกนิดหนึ่งนะครับเพื่อมีโอกาสได้เข้ามาฟังพระอาจารย์วันนี้ครับก็ มีการพูดถึงการเห็นทุกข์นะครับแล้วก็มองทุกอย่างเป็นแต่ละ ก, ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับซึ่งเป็นธรรมะที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแต่ว่าตัวผมเนี่ยผมยังอาจจะยังไม่แตกฉานก็ขอกลาวถามอย่างนี้นะครับก็คือว่ า, าผมมานั่งพิจารณาดูตอนตอนฟังพระอาจารย์พูดถึงนะครับผมก็มีทั้งชีวิตผมที่ผ่านมาก็มีทั้งคุณพ่อเสียตกงานอกหัก เงินเดือนไม่ขึ้นนี่พูดถึงโหมดของความทุกข์ไอ้พวกนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วก็บางทีเราก็รู้อยู่ว่ามันต้องเกิดขึ้นเราก็วางมันไปได้ทุกครั้งเสมอมานะครับทีนี้การที่พระพุทธเจ้าคําสั่งสอนพรพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องการให้เราเข้าสู่สภาวะวิพ า, ากษ์นีคือไม่เกิดใช่ไหมครับวางกิเลสเอาไว้แต่ทั้งที่นี่แล้วผมก็รู้อยู่ว่าคำว่าวางเนี่ย มันต้องละเอียดขนาดไหนในเมื่อผมก็ไม่ได้ทุกข์กับพ่อเสียแล้วหรือผมก็ไม่ได้คือผมจะมองไม่เห็นทุกข์ละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ทุกข์จัยาบพ่อเสียตกงานอกหักอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฝูงไฟกับมันหรือมีก็มีนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็น ม, มันมันเลยทําให้ความเห็นทุกข์เนี่ยในละเอียดระดับนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นทําให้ผมอาจยังยังไม่อินทีนี้มองทุกอย่างเป็นทุก พอใช้คํานี้ปุ๊บก็เลยมองว่ามันเป็นการคิดในแง่ลบจนเกินไปหรือเปล่าครับเรียนฐานพอาจารย์แนะนำหน่อยครับมันเป็นความจริงการลบแล้วบวกไม่สําคัญอันมันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นความจริงครับครับเป็นความจริงก็ต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงให้ได้ครับอันนี้ใจมันไม่ยอมรับกิเลสและไม่ยอมรับมันรับรอมันความเป็นแง่าลบไปครับแต่ความจริงอะไรถ้าเราไม่เตรียมตัวรับกับความจริงเวลามันเกิดขึ้นเราจะทุกข์ครับ ถ้าเราเตรีมตัวรับไว้ก่เราจะไม่ทุกยกตัวอย่างเคสสมมตุติคุณพ่อเสียอครับผมกับคุณพ่อผูกพันมากเลยอันนี้คุณพ่อเนี่ยปกติก็ต้องเผาเราควรจะเผาในในที่เผาใช่ไหมครับผมนี่พ่อเผาในเชิงตะกร่อนเพราะว่าวันนั้นที่เผามันมันหมดพอดมีมันเต็มเราก็ยืนยืนดูอยู่นีจริงๆ แ, แวบหนึ่งก็คือคิดถึงทุกประทับหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็หาย เราก็ถามตัวเองรู้ไหมเราบนรลุแล้วเปล่าวะขอโขออนุญาตนะครับหรือไม่ทีเราก็ตกแต่ตัวเราเน่ะตัวเราร่างกายเราจะทุกข์กับมันไหมล่ะไข้ก็เป็นอยู่ครับแล้วเลามันจะตายจะทุกข์ไหมล่ะถ้าจะตอนใกล้ใกล้ตายก็น่าจะทุกข์อยู่ถ้าจะไปไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลือหกเดือนนี้จะติดตกอ่านซองไม่ทุกข์สิ ต้องต้องถึงวันนั้นก่อนครับตต้้้องแกัวนีใช่ทีนี้ทีนี้พอเหมือนกับไม่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาออใช่ไหมครับก็เลยมันมีเทคนิคยังไงไหมครับบางทีมันต้องเห็นลงศพแล้วมันไม่ทันเลยครับก็ไป ท, ทำงานกับโปรเทคติง้งอยู่เรื่ยๆกระเจ็ดศพบอหนังรูง้สติจะได้ครับเล่าโป่งมาที่ตัวเราต่อไปเราก็ต้องเป็นศพนะครับแล้วต่อไปมันจะพวมันก็จะโป่งปล่อยวางร่างกายเราได้ครับ มันยังมีอีกหลายตัวที่เรายังเข้าไปไม่ถึงครับเอาร่างกายนี้ก่อนครัส่งร่างกายนี้ให้ได้ครับไม่ใช่ว่าเรามองโลกในแง่บวกแปลว่าเราไม่ทุกข์อันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมได้แล้วมองใ น, นนะความจริงถึงจะไม่ทุกข์ มองในแง่บวกแต่เป็นของปลอมมันก็จะทําให้เราเพรามันเป็นของหลอกบอกว่าเราจะอยู่ไปตลอดนี่มันเป็นความจริงไหมไม่จริงครับเพราะมันไม่อยู่ไปตลอดก็จะทุกข์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าบอกว่าเราต้องตายเป็นความจริงก็แบบเป็นความจริงครับพอมาบอกจะตายเราจะทุกข์่็แบบทุกข์ครับทุกข์ครับทุกข์ก็หมายื่อโลกไมความจริงก็เรายังเรายังไม่ละเอียดขนาดนั้นหรือว่าเราเราก็เรเตรียมตัวทําใจให้ไม่ทุกข์ได้ครับครับ ถ้าเรายอมรับมันแล้วก็จะไม่ทุกข์เคยเคยซ้อมตายอยู่เหมือนกันครับ ก, ก็แอ บ, บทุกข์อยู่ครับซ้อมตายกับการซ้อมมันก็ไม่เหมือนกับการทำข้อสอบทำข้อสอบต้องไปอยู่ที่ใกล้ตายอย ร, ร่งเดีออยองนั้นต้ น, ต, น, ต, นต้นทาทําการบ้านไปก่อนซ้อมไปก่อนแล้วต้องขึ้นเวทีต้องไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลัวคนเดียวอยู่มาเดิจะจะกลัวไหม จะ่งั้นต้องรอให้ไม่สบายแนละ้วหมอบอกว่ารักษาไม่หายแนละ้วเอวัางแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็จะเจอของจริงครัโอเคนะโอเคครับผมั้งต่อไปครัับมนต้องไปฝึกสมาธิแล้วถึงจะทําทใจได้ถ้าไม่มีสมาธิยังไงก็ทําใจไม่ได้รับความตายไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วรับได้เพราะอะไรครับเพราะใจไม่ต่ตาได้ไงเวลาสมามีสมาธิใจมันนิ่ง ท่ารใจไม่นิ่งกิเลสมันจะต่อต้านไม่ยอมตายไม่อยากตายคำถามถัดไปจากเฟ e b o ๊ k ค่ะหนูทำสมาธิแต่ไม่เคยเห็นแสงสีขาวหรือแสงสว่างเหมือนคนอื่นเลยเห็นแต่สีดำๆในขณะหลับตาแต่รู้ตัวตลอดเวลารู้ลมหายใจเข้าออกและรู้ตัวเวลามีความคิดเข้ามาแบบนี้อยู่ในสมาธิขั้นไหนคะ ไม่เห็นดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่ต้องการจะเห็นอะไรต้องการความวางเพราะฉะนั้นไม่เห็นก็ดีให้เห็นแต่พุทโธหรือเห็นแต่ลมอย่างเดียวก็พอแล้วอยู่กับมันไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่มีอะไรลงเอืออยู่ในจิตจะขั้นไหนไม่ต้องไปสนใจแล้วขอให้มันไปถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอุเบกขาขั้นจิตวางเฉยปล่อยวางมีความสุขกับความสงบก็พอ คำถามถัดไปจากคุณสมดีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อยากทราบว่าการนั่งสมาธิต้องใช้เวลานา น, นไหมในการคิดฟุ้งซ่ า, าขนขณะนั่งสมาธิแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกอนจะสงบได้หลายปีไม่ใช่แค่บางคนก็นั่งแค่ห้านาทีก็สงบได้งนั้นเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ผลราต้องการนั่งให้จิตสงบ แล้วเมื่อสงบแล้วก็ให้มันสงบไปนานๆสงบไปทั้งวันทั้งคืนนี่คือเป้าหมายของการฝึกสมาธิให้จิตเราสงบทั้งวันทั้งคืนแม้ในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ต้องสงบถ้าไม่สงบก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพื่อทาให้มันสงบค่ะคถามจากคุณพันธิว่าการไปเที่ยวกับแฟนการมีความสุขกับการมีลูกคือการเสพติดรูปรสกลิ่นเสียงอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ทุกอย่างมันต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมันก็เป็นกางเป็นรูปเสียงกลิ่นเนรูปของสามีรูปของลูก<ม>เห็นเขาแล้วก็ดีออกดีใจแต่ถ้าเกิดเห็นเขาเป็นสร้างโสภวิญกาณมันทุกไปทันทีพอไม่เห็นมันเพราะลืมไปไปไ ม, ไม่ไม่ไปคิดว่าเขาไม่เที่ยงคิดว่าเขาเที่ยงเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยววันดีกันดีเขาก็หาย น้อมหลายตายจากไปเห็นไหมเห็นมีข่าวไหมเวลาใครเสียลูกไปเสียสามีไปนี่กอดกันร้องห่มร้องไห้กอดจบไปเพราะไม่เคยคิดว่าจะจ ะ, จะต้องเป็นอย่างนี้กันเพราะไม่มีปัญญาไม่มีไม่เห็นตายรักกันแต่เห็นตายรักมันไม่ร้องไห้หรอกมันรู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้คําถามจากเฟซบุ๊กค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ทำอนาปนาสติแล้วติดบังคับลมหายใจแก้อย่างไรดีครับก็สวดมนต์ไปก่อนแสดงว่าจิตเรายังมีกิเลสแรงอยู่มันยังไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยก็ให้มันให้มันไปสวดมนต์ก่อนสวดอิติพิโสไปหลายๆจบจนกว่ามันจะรู้สึกเบาเย็นแล้วค่อยมาดูลมใหม่ให้จงกามมันจะดูเฉยเฉยได้ถ้ายังดูเฉยเฉยไม่ได้ก็สวดมนต์ไปเรื่อย ตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะือไม่มีก็ดีกายเวลาหมดเวลามีใครอยากจะถามไหมที่อยู่ในศาลาแห่งนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิษ์พิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด